มีมวลทั้งใจฟังที่เขามาประชุมกันในขณะนี้ํามาพูดกันเรื่องการปฏิบัติธรรมะการปฏิบัติธรรมะนั้นคลมคิดกลมเห็นหรือกลมตั้งใจไว้นั้นอาจิบุเหมือนกัน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 คำว่าทำทาคำนี้เราเคยพูดเคยว่ากันอยู่ทำดีทำซัวเราต้องเห็นในขณะที่เราทำดีทำซัวนั้นหรือบททำดีทำซัวเราก็ต้องเห็นอันนี้เห็นธรรมด้วยสติปัญญาต้องเห็นแบบอย่างนี้เห็นแล้วก็ต้องแน่นอนทีุ่ดบวเปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นไปได้อันนี้เห็นธรรมแท้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 แล้วครูบาอาจารย์ทั้งปวงเห็นธรรมได้ยานบอกอย่างนั้นอย่างนี้อ น, นันตเป็นเรื่องของคนที่บกเข้าใจมันแม่นควมคิดเอาซื่อๆเหมันบนแมงของจริงถ้าของจริงแล้วต้องเห็นตัวเราแท้ๆ <c oughs> เราจินนั่งก็เห็นจีนอนก็เห็นเดินก็เห็นไปไสมาไสเห็นเราอยู่นี่แหละนี่เรียกว่าเราเห็นแท้ๆนี่เห็นธรรม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 บางคนกระทนได้เบิงขึ้นนึสองครือเท่านั้นตายไปกับนี้นั้นเขามาประสมกันหรือมาฝุกฝนอุกลมกันเขาต้องพยายามเบื้องจิตเบื้องใจเขาถ้าหากเขาได้เห็นจิตใจเขากำลังนึกกำลังคิดอยู่เนี่ยอันนี้แหละคุนว่าความเห็นอันจิตใจเล็กเล ก, เล ก, เลกนน้อยเนี่ย มันสามารถที่จะทําความสว่างให้ภายในจิตใจเขาแต่ความจิตใจเขามันมืดบอดอยู่เมื่อเขามาทํากามคิดกวมเห็นความเข้าใจอันอน้อยๆอันนี้เหละมันสามารถที่จะไล่ความมืดไปได้น <c oughs> รืว่ามันสามารถที่จะไล่ความหลงผิดไปได้ ความมืดนั้นโบแมนมืดคออือยังเห่ายางเดินทางโบมีไฟในโบแมนอย่างนั้นความมือดอันนี้หมายถึงระบบเห็นจิตโมเห็นใจของความจริงแล้วจิตใจของเหา่าหรือของคนทุกคนจะเป็นคนไทยคนจีนคนฝรั่งอังกฤษคนอเมริกากป่าหรือเป็นผู้หญิงผู้ชายกป่า จิตใจของคนทุกคนนั้นมันสะอาดมันสว่างมันสงบอยู่แล้วพระอาตกาแปลว่าใจิตใจขอามันบรสุกปกมันบริสุทกปกคำว่าสว่างนั่นก็หมายถึงการเห็นแจ้งเห็นอันไหนก็เห็นสีวิตจิตใจของเขานี่แหละเห็นแจ้งอยู่สคําว่าสงบนั่นก็หมายถึงว่าพอแล้วหยุดแล้วโบวไปศึกษาเล่าเรียนอันไหนอีกตืมแล้ว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 ความสว่างของตะเวนนั้นมันเลยบดทองมาให้ออกเห็นคือโลกนี้ได้ไม่เป็นเังะนั้นพระบุทรเจ้าจึงมาตรงกันข้ามในขณะใดที่เราโเห็นจิตวเห็นใจโบห็นชีวิตของเขานั้นเพินเอื่นว่าคนผู้มีสติหรือว่าคนมีกิเลสหลายกันว่าได้ในขณะนั้นหละกิเลสมันเข้ามาครอบงำอยู่ภายในจิตใจของเขา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 ความจริงคมโกดคมโรคคมหลงนั้นกระบาดได้มีอยู่ที่เขามันวูบเข้ามาขาวเดี่ยวคล า, ายคคือน้าแข็งกระบาดได้น้าแข็งนี่เขาทำให้เป็นก้อนขึ้นมาได้แต่เมื่กระบาทนทานอยู่ได้น้าแข็งนันก็ได้เมื่อถึกแดดทึกลมเข้ามาน้าแข็งก็ล่าลายไปตามเดิมเป็นน้ำไปตามเดิม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 แต่เขาก็เลยทำพูดคิดไปตามอารมณ์ฟยฟต่ำพระบริเจาก็เลยว่ามันเป็นกิเลสคำว่ากิเลสนี่มันเป็นทุกข์พระิญจบก็สอนว่ามันเป็นทุกข์องพยายามทำตัวของตัวให้มีสติให้มีปัญญามองเห็นจิตเห็นใจของเขาให้รู้เท่ารู้ทัน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 เห็นแจ้งอันไหนสิเห็นแจ้งตัวเห่ากําลังทํากําลังพูดกําลังคิดเห็นแจ้งอันนี้นนตรรนนั้งเก้าอันนี้แต่กกอนโบสินบอกเข้าใจว่าเสี่ยงทีล่วงภาวะเดิมเหมันแต่กกอนนั้นเคยไหว้ผีเคยไหว้ เ, วเทวดาเคยลิ้นการพ น, นันเคยกินเหล้าเคยสูบซิ่นจินกันซา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 โตจิตใจของเขาจริงๆแล้วมันมันอยู่เป็นปกติเด้มันบ่ได้เป็นยากไปอย่างเด้มันสะอาดมันสว่างมันสงบอยู่ที่โอที่มันเกิดขึ้นมาวูบเดียวเท่านั้นเราไปแล้วเราบ่ได้เห็นมันอันนี้พระบริจ้าคเป็นว่ามันพูกกิเลสชอบงอมจิตใจอยู่คำว่าภาษาเห่าก็ต้องว่ากิเลสมันตกหน้าออก เมื่อกิเลสตกหน้าแล้วคนก็ต้องไปตามกิเลสเพราะว่าเอาชนะกิเลสบุได้ให้กิเลสเป็นนายอันเป็นวายชังสั้นฉะนั้นเราต้องเป็นหนายกิเลสเป็นผู้มีอำนาจเหนือกิเลสไปได้ด้วยสติปัญญาด้วยการเจริญนิพพานาด้วยการสื่อแจ้งเมื่อเหตุอย่างนี้เหล่ยกิเลสอยู่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 เห็นควงสว่างอยู่กับลอดไฟฟ้ามันก็จะไปจับพิกตีนมูลลอดไฟเนี่ยนะคล้องเอาควงสว่างหรือต้องการเอาแสงสว่างเกิดขึ้นควงสว่างนั้นบวกเกิดขึ้นในเหตเฮ็ดจนตายกับบกเกิดแปลว่าเหเหตุบุถูกจุดบูรู้จักต้นเหตุสมมุตฐานของไฟหรือกำเนิดของไฟเกิด มันไ่ได้ไปเกิดออยู่กับลอดไฟคุณต้นเหตุสมุตรานกำเนิดของมันนั้นอยู่ตรสรัสวิตไฟฟ้าที่อยู่สี่ิบเขาไปจับที่ผับมันไปทำาคมสว่างอยู่คุณนี่นะดังนั้นคนที่สลาดแล้วเขาไปไถ่ไฟฟ้านั้นไปจุดไฟฟ้าเขาที่ว่ไปจับลอดคุณเขาที่มาจับสวิตกดเขาเมันจะไปทำาคมสว่างอยู่คุณอาการปฏิบัติที่ปรสนานี้เราคือไก่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 มันก็หายไปแต่มันอยู่ในขวามือท่านเขาเขาไฟเขาหมดปั๊บขวามืดเข้ามาแทนทีทันทีมัดนี้เขาออกจากธรรมาบทต้องอ่านใต้ไฟกระไดมาอยู่นอกถ้ำดิเห็นในรรมเห็นนอกรรมเห็นมัดทุกแง่ทุกมุมความสงบแบบนี้มันโบมันสงบแบบอยู่ในธรรม อันนี้มันบริเวความสงบอันนี้อันนี้มันเป็นการเห็นแจ้ง one one. คำว่าความสงบนั้นจึงมีอย ja awesome. ู่สองอย่างความสงบแบบอยู่ในธรรมนั้นสงบแบบหนึ่งสงบแบบบเห็นแบบบุหิษจากธรรมสงบแบบนอกธรรมนี้มันบริเวณความสงบแบบแบบนี้เหมือนเป็นการเห็นแจ้งคําว่าเห็นแจ้งนี่มันเป็นแบบสงบอันหนึ่งสงบอันใดสิสงบจากโทสะโมหะโลภะ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 ปัญญาของเขาเนี่ยมันทีไวที่สุดคล้ายท้ายคือแมวกับหนูหนูนั้นมันชีไวขนาดใจกระตัมสงังแมมันคอยจ้องอยู่สนนะับพอดีหนูโดดมาแ ม, ม่ปรตคุบจับปับ๊บรถพอดีจับแล้วสิหนูมันสลุดใจค้ายคล้คือคนใจขาดนี่แหละตายคืนกับว่าได้พอดี แมวจับปั๊บใจมันขาดลดหนูเลือดมันบบวิ้งเพราะมันตกใจหลายเพราะแมวจับมันว่เคยให้แมวจับจับเถอเมื่อแมวจับแล้วเลือดหนูเมันโบวิ้งแมวกินหนูจึงบวมีเลือดอันนี้ก็คือกันเมื่อเขาคอยเบื้องยองซีอยู่พอเด็มันคิดปั๊บความคิดมันจะถูกหยุดทันทีพราะเอาเห็นแจ้ง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 ทายทายคือคนเขาเกิดมามันของที่คว่วหรือเกิดมาแล้วมันค่วหน้าอยู่ก็ไดหรือของที่คว่วบ่อมีผู้ใดซีมมาง่ายน่าขึ้นมาได้และของที่ปิดบ่มีผู้ใดมาไขได้พระพุทธเจ้าของเขานี่แหละมาเปิดน้าขึ้นมาแต่มาง่ายออกให้คนมองเห็นได้ทันทีและมันมีเกลียวรัดอยู่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 ศีลเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างห่าสมาธิเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างกลางปัญญากำจัดกิเลสอย่างละเอียดฮาเคยว่ากันแล้วก็พ่อแม่ภูบาอาจารย์ก็เคยว่าให้ฟังกันสิบัด น, นี้ฮาทำบุญให้ฐานรักษาศีลกำจัดกิเลสในบอกเป็นบุญแล้วนะแต่มันจัดการกับกิเลสเหล่านี้บ่ได้ทุกทุกคน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 ค้ายๆคือเขาอยู่ในถ้ำนี่แหละเขายักย่างไปใส่กระย่างไปเขาบ่ได้เห็นถ้ำเขาไม่เห็นเห็นด้นวยควมมืดอาใสยไฟใถไปซั่วหาวเท่านั้นในขณะที่เขาทําบุญเนี่ยทําแล้วก็ดีใจยูน้อยเดียวเท่านั้นหรืออุปมาเหมือนกับ น, น้ําแข็งที่ทําให้เป็นก้อนมืนกับเป็นก้อนอยู่น้อยเดียวเท่านั้นเขาทีมาปั้นน้ําให้เป็นก้อนนั้นมันเป็นไปได้ยาก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 นั้นกับฝังได้ถ้าหากว่าเขาบต้องการบุมีความสนใจอยากนำไปปฏิบัติเพื่อแก้สุกนั้นสังธรรมะคำสอนของพระเจ้านั้นจะเข้าใจยากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาฟังได้ยากเพราะมันมองบุเห็นตนเห็นตัวคนเขาเรียว่าทําได้แต่เฉพาะที่มีตนมีตัวที่เห็นผูก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 เขาที่ได้เอาเรื่งองคําสอนของพระเจ้าที่เขานำมาปฏิบัตินี่แหละไปเผยแพร่ให้คนที่ยังบผ่ันรู้นะั้ได้รู้คนที่บ่เคยเห็นมันได้เห็นคนที่บ่เข้าใจนะันจะได้เข้าใจและคนผู้ที่อยังบทสนใจกับขุมมอญมีนั้น